สมาธิมีหนึ่งเดียวยุบหนอพองหนอสัมมอาอรหังพุโทโธที่พระท่านเถียงกันอยู่นั่นอย่าไปเชื่อพระถ้าตราบใดที่พระยังเถียงกันอยู่แสดงว่าพระภาวนาไม่เป็นเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวหลวงพ่อเอาคนอิสลามคนศาสนาคริสต์คนศาสนาพุทธมาภาวนาร่วมกันคนพุทธภาวนาพุโทโธ คนคริสต์ภาวนาเยซูคนอิสลามภาวนาอัลลอฮ์พอเสร็จแล้วจิตสงบเป็นสมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันเด็กสามศาสนาเนี่ยก็หันหน้ามาคุยกันเธอภาวนาของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรอีกคนตอบจิตของฉันก็สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขของเธอละเป็นยังไงของฉันก็เหมือนกัน จนเด็กแปลกใจว่าเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์ในเมื่อมาภาวนาแล้วทําไมจิตมันเป็นเหมือนกันนี่ข้อมูลที่ได้จากเด็กนักเรียนระดับมัธยมมาเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เราจะมามัวเถียงกันสัมมาอารหังยุบหนอรพรองหนอพุโทโธอยู่อย่างนี้ใช้การไม่ได้เลยนักภาวนาถ้ายัางเถียงกันเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ตรงกันแล้วก็ แสดงว่าภาวนาไม่เป็นเราเอาเป็นอาจารย์ไม่ได้ใช้นิทานเป็นสื่อสอนธรรมะในคำพีพระไตรปิฎกบางทีสอนหลักธรรมไปตรงๆคนฟังไม่ค่อยเข้าใจ จับเรื่องราวไม่ได้แต่ถ้าเล่านิยายนให้ฟังแล้วเขาเข้าใจถ้าเราบอกว่าอารมณ์ภาวนาเนี่ยมันไม่มีเฉพาะแต่พุทโธสัมมาอารหังยุบหนอ่อพองหนอ่อย่างเดียวหรอกอันอื่นก็ได้เขาไม่ค่อยเข้าใจต้องเล่านิทานให้ฟังช่างทอหูนั่งทอหูอยู่ฝึกสติไปกับการทอหูพอสายกระสวยอันสุดท้าย เขาก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อการทอหูกยังมีที่สิ้นสุดชีวิตของเรามันต้องมีที่สิ้นสุดเหมือนกันที่สุดของชีวิตคือความตายจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงวูบไปนิดหนึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช่างถากไม้นั่งถากไม้อยู่โปก๊กโป๊กโป ก, โปกถักไม้ตกแต่งให้สวยงาม ไมค้คดๆดงองอเนี่ยเรายังตกแต่งให้สวยงามได้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยกายวาจาและใจของเรานี่มีหรอมันจะตกแต่งให้สวยให้งามไม่ได้ก็ได้สติขึ้นมาสำเร็จอรหรัน